เรื่องไล่สนิมแหวะตรงนี้ประเดียวเดียวในพุทธศาสตร์ฉบับฉลอง25สศตวรรษและบรรณาสารอื่นอีกหลายเล่มข้าพเจ้าได้อธิบายไว้ว่าบรรดากิเลส ซ, ซึ่งมีอยู่มากมายและกระจายกันอยู่ในข้อธรรมทางศาสนาเกือบนับไม่ถ้วนนั้นถ้าจะจัดเข้าเป็นพวกพวกหรือเป็นตระกูล ก็มีอยู่3มตระกูลเท่านั้นคือตระกูลโลภะตระกูลโทสะตระกูลโมหะขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วเป็นต้องสังกัดอยู่ในตระกูลใดตระกูลหนึ่งในสามตระกูลนี้วิธีพิจารณาว่ากิเลสข้อใดสมควรจัดเข้าตระกูลใดต้องพิจารณาดูเองถ้าหากไม่เห็นตารา คือตั้งปัญหาถามขึ้นในใจเราเองว่าพฤติกรรมอย่างนี้เหตุใดคนจึงทาเพราะความอยากได้หรือเพราะความขัดใจหรือเพราะความโง่เขลาถ้าพฤติกรรมใดเกิดจากความอยากได้ก็จัดเข้าในตระกูลโลภถ้าพฤติกรรมใดเกิดจากความขัดเคืองใจก็จัดเข้าตระกูลโทสะและถ้าพฤติกรรมใด เกิดจากความโง่เขลาเห็นผิดเป็นชอบก็จัดเข้าตระกูลโมหะไปส่วนมากถ้าเราเข้าใจความหมายของกิเลสข้อนั้นๆแล้วก็จัดไม่ค่อยผิดอุปกิเลสสนิมในใจ16ข้อนั้นถ้าจัดเข้าต้นตระกูลของเขาเสร็จแล้วก็จะเป็นดังนี้เป็นแผนภูมิต้นไม้ กิเลส3ตระกูลกิ่งแรกตระกูลโลภะประกอบด้วยอภิชาวิสมาโลภะตระกูลโทสะประกอบด้วยพยาบาทโกทะอุปกนาหะตระกูลโมหะประกอบด้วยมัคขะปลาสะอิจสา มัจฉริยะมายาสาเทยะถัมภะสารัมภะมานะอติมานะมาทะและปะมาทะสนิมในโลหะมีหลายชนิดมีหลายชั้นหลายขนาดบางอย่างเวลาสำรอกเพียงถู ด, ด้วยหินขัดด้วยกระดาษทรายหรือ ลงตะไบเสียสนิมนั้นก็หลุดบางอย่างเอาค้อนเหล็กหวดปังๆลงไปให้เหล็กกระเทือนแรงๆสนิมก็จะหลุดร่วงไปเองแต่บางอย่างสำรอกด้วยวิธีเย็นๆมันไม่ได้เรื่องต้องใส่เตาถ่านสูบไฟเผาให้ร้อนจนแดงจึงจะไล่สนิมออกไปได้ฉะนั้นนักไล่สนิมในโลหะต้องรู้ด้วยว่า สนิมชนิดใดขนาดไหนจะต้องไล่แบบไหนจึงจะได้ผลการไล่สนิมในใจก็เหมือนกันต้องรู้จักประเภทรู้จักโคดเง้าของมันไว้ด้วยการขับไล่จึงจะได้ผลหลักใหญ่ๆก็คือพวกตระกูลโลภะให้ขับไล่ด้วยการเสียสละสิ่งของคือทานพวกตระกูลโทสะ ให้ขับไล่ด้วยการรักษามารยาทคือศีลพวกตระกูลโมหะให้ขับไล่ด้วยการอบรมปัญญาคือภาวนาเพื่อให้เกิดมโนภาพแก่ท่านผู้อ่านข้าพเจ้าขอดึงเอาภาพจากพุทธศาสตร์ฉบับฉลอง25ศตวรรษมาโชว์ไว้ในที่นี้อีกครั้ง Thank mm -hmm. you.